ทูศีลเช่นทูศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะเกิดมาสรุปทบทวนอย่างที่ว่าก็เหมือนกับแช่งให้ตัวเองอายุสั้นตลอดไปเนี่ยนะฮัลท์าสัตว์นี่ก็คือการแช่งให้ตัวเองอายุสั้นตลอดไปการรักท ร, รัพย์ก็มีท ร, รัพย์ก็ขอให้พี่นาดวายวอดไปหมดเนี่ยนะการทําทุศรรีลข้อที่สองอย่างที่ภา ษ, ษาธรรมะเขาเรียกว่าเวนทั้งห้าเมื่อกี้ที่ตั้งความปรารถนาะขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเวนทั้งห้าเป็นผู้มีศีล ร, ร, รักศีลเป็นต้นเนี่ยไอ้คำว่าเวนทั้งห้าคืออะไร ก็คือการทุศีลห้าคือสร้างเวรทั้ง5ประการให้กับตัวเองเวรเนี่ยนะคนมีเวรกันก็คือสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างแต่ความเสียหายการทุ่มศีลอย่างทุ่มศีลข้อที่1ก็คือสร้างเวรให้กับตัวเองก่อนแต่ว่าเอาไอไปตกอ้อบอทุ่มศีลทั้งห้าตกนรกได้หมดอ่ะอันนั้นจงยกไว้แต่หมายว่าถ้ามเมื่อใดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คืนศีลข้อที่1ทําให้อายุสั้นศีลข้อที่2องถ้ามีทรัพย์ก็ขอให้พิราธชิบหายวายวอดไปให้หมดเลย ถ้าทุศีลข้อที่สมก็วางศัตรูเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะตอนทันเหตุก็คือการสร้างศัตรูคูศีลข้อที่สี่เขอให้ถูกหลอกตลอดกาลเนี่ยนะศีลข้อที่ห้าก็ให้โง่เขลาเบาปัญญาปัญญาอ่อนปัญญานิ่มไปเรื่อยๆตลอดไปเนี่ยนะนนการทุศีลหประการเขาเรียกว่าสร้างเวรให้แก่ตัวเองมันพระองค์จึงบอกว่าคนที่ทุศีลก็คือสร้างเวรให้แก่ตัวเองนั่นแหละ เหมือนศัตรูทําความพินาศให้แก่ตนต่อไปในอนาคตอันนี้คือกล่าวถึงอกุศลพร้อมทั้งโทษแห่งอกุศลทั้งหลายอุปมาสองอย่างนี้คงจะเห็นชัดหนึ่งเทาย่านทรายที่ทําลายต้นไม้ต้นสาระเนี่ยนะต้นสาระที่เรียกว่าหน่วงทะลงตกต่ําหมดเลยอย่างที่สองศัตรูทําร้ายศัตรูเนี่ยนะชั้นใดคนที่ทุศีนกเกิดมาเพื่อทําลายตนฉะ น, นั้นพุทธพจน์ ตรัสในคาถาธรรมบทบอกว่าความรู้ยศอํานาจทรัพย์ที่มีที่คนพานมีอยู่สิ่งที่มั่งมีเหล่านี้สําหรับคนพานเพื่อทําลายคนพานรู้ได้ยังไงเพราะเขาทําลายคุณงามแข่งความดีของตนเพื่อความพินาศต่อไปในอนาคตฉะนั้ น, น, นความทุศีนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่ า, าทำสองอย่าง ทําให้ตกนรกเหมือนจับไปโยนทิ้งนะาานนเหมือนเอาขยะไปทิ้งอะนะบอกว่ามันแน่นอนเหมือนว่าเหมือนเอาขยะไปทิ้งอย่างนั้นอนะทำสองอย่างคืออะไรคือศีลวิบัติกับทิฏฐิวิบัติศีลแล้ววิบัติกับทิฏฐิวิบัติเนี่ยตกนรกแน่นอนเหมือนเอาขยะไปทิ้งมันแน่นอนขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความทุศีลศีลแล้ววิบัติก็คือทุศีลอันเดียวกันความเสียหายแห่งศีลเสียหายข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นต้นความเสียหายเหล่านี้สร้างแต่ความ ทุกเข็นให้ต่อไปอีกโซดหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบาปที่ตนเองทําไว้ซึ่งเกิดในตนมีตนเป็นเหตุย่อมทําลายบุคคลผู้ไร้ปัญญาเหมือนเพชรทาลายแก้วมณีที่เกิดจากหินฉะนั้นบาปที่ตัวเองทานี่แหละมันจะทําลายตัวเองไม่ใช่ใครมาทําลายเราที่ไหนหรอกนนะบาปความชั่วทางกายวาจาใจที่เกิดในตัวนี่แหละจะเป็นตัวทําลายตัวมากที่สุด อีกอ่ะนะเพชรทําลายแก้วมณีเนี่ยเพรามา ม, มันนอกคองนาไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสนิมเกิดจากเหล็กไม่เห็นชัดว่านะนะบางสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆว่าสนิมที่เกิดในเหล็กเกิดเพื่อทําลายเหล็กฉั้นใดบาปที่เกิดในภายในเกิดมาเพื่อทําลายคนไร้ปัญญาฉันนั้นนั่นแหละมีแต่สร้างความเสียหายมีแต่ประทุษร้ายเนี่ยนะมีแต่ผูมีแต่กร่อนในที่สุดก็ ยับเยินไม่เหลืออะไรเลยอีกสูตรหนึ่งว่าดูก่อนเทพพธทดาบุคคลผู้ไม่ฉลาดทั้งหลายเป็นผู้อันคนฉลาดหลีกเว้นและเป็นผู้ควรติเตียนเพราะเสพอกุศลรกรรมบทสิบบุคคลผู้มีปัญญาน้อยทั้งหลายย่อมหมกไม่ในนรก คนมีปัญญาน้อยทั้งหลายเห็นการฆ่าเป็นสิ่งประเสริฐเห็นการโกงการคดการทุจริตเป็นสิ่งประเสริฐเห็นการผิดการมีสมิชาจารเป็นต้นเป็นสิ่งประเสริฐเห็นการพูดเท็จพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดอ่ะ น, นะเพิ่มพูนความโลภเพิ่มพูนความโกรธเพิ่มพูนความลุ่มหลงเขางมงายเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความประเสริฐทีนี้คนผู้ไม่ฉลาดทำอยู่แต่ความชั่วเหล่านี้แล้วคนฉลาดเขารู้เขาก็ห่าง เขาก็ห่างเพราะคนฉลาดทั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างที่อกิตติบัณฑิตท่านบอกว่าขอให้ได้อยากอยาพบคนพาณิยาเห็นคนพาณิยานั่งใกล้คนพาณิยาได้พูดคุยกับคนพาณขอให้มันห่างคนพาณที่สุดเท่าที่จะห่างได้บางคนบอกขอใมันเป็นเขาบอกว่าอยู่คนละฟากทวโลกได้มันยิ่งดีสมมติถ้าเราเรียกว่าโลกลมนะอยู่คนละข้างกันนะอยู่คนละข้างที่ไม่มีโอกาสโคจรไปหากันเลยนะให้มันให้มันสรุปว่าอยู่ตรงไหนขอให้มันอยู่คนละข้างฉันใด บัณฑิตทั้งหลายเขาปรารถนาอย่างนั้นเพราะเขาถือว่าความวิบัติเกิดจากคนพาลความเลวร้ายทั้งหมดเกิดจากคนพาลความเสียหายนะภาษาบาลีก็อีติโตว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าจังไรทั้งหลายเกิดจากคนพาลพันธะไม่มีคนพาลความเสียหายความเลวร้ายไม่มีในโลกอย่างแม้กระทั่งปาณ า, าติบัตเกิดจากสมัยไหนก็เกิดจากว่าไอ้พราหมณ์คนหนึ่งต้องการลาบสการะก็เลยวางแผนสอนพระราชาว่าฆ่าโคบูชายันซะ นั้นความเลวร้ายมันเกิดจากคนพาลคนพาลเนี่ยพาคิดสร้างแต่ความเลวร้ายสร้างแต่ความเสียหายสร้างแต่ทุกข์สร้างแต่โทษเมื่อสร้างความเสียหายเลวร้ายทุกโทษบัณฑิตทั้งหลายเขาเห็นว่านั่นคือโทษเมื่อเห็นว่านั่นคือโทษเขาจึงห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เหมือนพระพุทธเพระองค์ตรัสว่าภัยเกิดจากคนพาลสิ่งที่เสียหายเลวร้ายทั้งหมดเกิดจากคนพาลเหมือนอย่างว่า บ้านตึกหลังใหญ่ๆสมัยโบราณเนี่ยนะปกติมันไม่ได้ว่าถูกไฟไหม้เองได้ง่ายๆมันเกิดจากไม้เรือนเล็กเรือนน้อยเรือนข้างหลังเขาเรียกว่าพวกเรือนที่บ้านเรานึกไม่ค่อยออกมันต้องแบบชนบทหน่อยชนบทที่มีเล้าไก่อยู่ท้ายบ้านนะเล้าไก่อยู่ท้ายบ้านเอาไม้อ่อเอาไม้อะไรมาทําเป็นฝ้าแล้วเอยันกแลคามามุงมาบางังเสร็จแล้วเด็กมันแกล้งจุดไฟมันจุดที่ไหนก็จุดที่เล้าไก่ซุ้มไก่เป็นต้นเนี่ยให้มันไฟติดแล้วมันลาม เผาผลาญบ้านเรือนหมดเกลี้ยงฉันใดความเสียหายเลวร้ายทั้งมวลก็เกิดจากคนพ่านฉันนั้นจากเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยในที่สุดก็สร้างปัญหาจนวิบัติย่อยยับกันไปหมดทันคนบัณฑิตทั้งหลายเขาบอกว่าขอให้ห่างคนพ่านขอให้ไกลคนผ่านและคนพ่านทั้งหลายได้รับการติเตียนทุกเมื่อนะเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่รังเกียจนั้นความเป็นผ่านเลวร้ายกว่าเชื่อโรคกว่า ง, งั้น นั้นคนที่เสพคนพานเนี่ยบอกว่าเชื่อโรคที่แทรกร่างกายประทุสรายร่างกายทําให้เสียหายฉั้นใดคนพานทั้งหลายสร้างความเสียหายให้แก่คุณงามความดีบุญกุศลฉันนั้นเนี่ยนะก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษยาวต่อไปนะพูดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยขอเมื่อใดเนาะจะละความเป็นพานได้สาธุ บ, บุญกุศลคุณงามความดีใดที่ทำํำไวก็ขอให้ละความเป็นพานไปเถอะเนี่ยนะพาแปลว่า คนไรตัญญาภาละแปลว่าโง่เขลาคนไม่ฉลาดอกุศลอากุศลมูลรากเง่าแห่งความเลวร้าย3ประการนี้3ประการอะไรบ้างรากเง้าแห่งความเลวร้ายคือความโลภตัวความโลภเป็นรากเง่าแห่งความเลวร้ายความโกรธก็เป็นรากเง่าแห่งความเลวร้ายความโง่เขลางมงายก็เป็นรากเง่าแห่งความเลวร้าย อกุสลมูลสามประการเหล่านี้แหละนะอย่าลืมว่าความโลภเนี่ยเป็นตัวที่นะโลภมันก็เลวอยู่แล้วนะโกรธมันก็เลวอยู่แล้วแล้วหลงมันก็เลวอยู่แล้วถ้าสามอย่างมาเป็นรากของความคิดทั้งหมดมันจะเลวขนาดไหนเนี่ยนะพันพระองค์บอกว่าขณะที่โลภขณะที่โกรธขณะที่หลงมันเต็มไปด้วยความมืดมิดคิดอะไรก็ไม่ออกคิดดูง่ายๆถ้าเราโกรธอะไรสักเรื่องนึงฉลาดไหมโอ้ยทั้งเกิดหงุดหงิดสักวันหนึ่งนะเขตายไปดกไปต้องอ่านกันแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะ งุดหงิดนะสมมติทัานหงุดหงิดเนี่ยนะไม่รู้อาจจะเกิดรําคาญอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงวันนั้นร่มจมหมดเงี้ยนะเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นตัวที่เลวร้ายสร้างแต่ความเสียหาย ค, คิดดูนะว่าไอ้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันสร้างความเสียหายขนาดไหนขณะที่ความโลภเกิดขึ้นให้ทานได้ไหมอ่ะขณะที่ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นให้ทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมเจริญสมถาได้ไหมเจริญวิปัสสนาได้ไหม อ่อ น, น้อมเป็นไม่อะไรไหมไม่เอาสักอย่างคุณงามความดีทิ้งทําลายหมดบุญกิจกรรมวัตถุศิลปะารเผาผลาญเกลี้ยงเลยนะบอกขนาดพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ามีคุณมากไหมมีถ้ากโกรธเกิดขึ้นมาอยากไหว้พระไหมไม่เอาคิดถึงพระพุทธเจ้าไหมเอาไหมไม่เอาถ้ากโกรธขึ้นมาสักอย่างเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้ายังจะด่าให้เธออีกเนี่ยนะอา้าวเคยมีนะก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งสมัยพุทธกาลสมัยสมัยพระพุทธเจ้าองค์กร พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเนี่ยก็มีพระพิสดุข้าไปบินทบาตนะว่าแครไปบอกข้ายมเนี่ยช่วยสร้างเจดีย์หน่อยว่าเจดีย์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ย อ, องค์กรอนโนอนเนี่ยพระธาตุเขาจะเป็นแค่เป็นแท่งนะไม่ไม่กระจายเพราะไม่กระจายเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันว่าเขาก็แบ่งเป็นเจดีย์สีะนะ่ทิศนะนทิศนี้กลุ่มนี้สร้างทิศนี้กลุ่มนี้สร้างทิศโน้นกลุ่มโน้นสร้างก็มีอยู่สี่ทิศ นะทิศ ท, ทั้งหมดเนี่ยคนอื่นเขารับผิดชอบได้เรียบร้อยแต่กลุ่มเศรษฐีนี่มีอยู่ทิศหนึ่งเศรษฐีนี่งองแงไม่ไ ม, ไม่มีปัญหาไม่ยอมทำนี่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่พอจะช่วยเรื่องนี้ได้พระก็ไปบอกไปเล่าให้ฟังบอกว่าเ อ, อ้ยยมเนี่ยเจดีตอตนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะวันนั้นเ็าทะเลาะ ก, กับเมียพอดีเมียทำอะไรไม่รู้โ ก, โกรธวกนูนเอาพระาธาตุท่านไปลอยน้าไปวันนั้น กล่าวว่าคล้ายๆว่าเอาพระพุทธเจ้าของท่านไปลอยน้ํำเสถรเท่านั้นเขาบอว่าด้วยกรำอันนี้เนี่ยคําพูดวิจีกรำมังตัวนั้นะ เ, เกิดมากี่ชาติถูกลอยน้ํามาเจ็ดชาติแล้วนี่เราชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์คงถูกลอยน้ําไปอีกหลายชาติปากเจ้ากรรมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนั้นความโกรธนี่ย ม, ม, มันประทุษร้ายขนาดนั้นแต่ดีว่าอะไรนะภรรยาเขาก็เตือนบอกอา้าเธอโกรธฉันทำไมไปด่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณน่ะ ก็เล ย, ยได้สติขึ้นมาก็เลยขอขอมาก็ออยังชั่วหน่อยนะก็เบาๆไปบ้างแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เดือดร้อนมากขณะที่โกรธเนี่ยมันสร้างความเสียหายทําลายทานทําลายศีลทำลายภาวนาทำลายคุณงามความดีทํำลายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่มีอยู่ในจิตใจของเราหมดกเกลี้ยงเลยนะเพราะนั้นมันจึงเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายเพราะนั้นแต่ว่าคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะขอให้มีปัญญาเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีเถอะ ถึงจะชั่วอยู่บ้างก็ให้เห็นว่ามันชั่วอย่าไปอธิบายอย่าไปชื่นชมว่าความชั่วเป็นความดีอย่าไปชื่นชมเอออย่าไปตาหนิเตียนความดีว่าเป็นความชั่วถึงยังทําชั่วอยู่ก็ให้เห็นชั่วเป็นชั่วให้ดีเป็นดีถ้าเรายังโลภอยู่ยังไม่สามารถกำจัดความโลภแต่ขอให้รู้ว่ามันนี่คือความโลภเป็นความเลวร้ายแต่ยังจะโลภอยู่ก็ขอให้รู้ว่าความโลภคือความเลวร้ายถึงจะโกรธอยู่ก็ให้เห็นว่าความโกรธเป็นความ เลวร้ายถึงจะโง่เขาไม่รู้อะไรก็ขอให้รู้ว่าความหลงความโง่เป็นสิ่งที่เลวร้ายสักวันหนึ่งจะต้องกําจัดมันให้ได้วันนี้ข่าสึกคือความโลภมันจะครอบงําท่วมทับแต่วันหลังเอาคืนแน่วันหลังข่าทิ้งแม่นะวันนี้ขอให้โตหน่อยเถอะก็เราว่าถ้าใครจะผูกเวร น, นะามาแนะนำว่าไหนๆก็จะผูกเวรแล้วจะทําลายแล้วก็ขอให้ผูกเวรว่าความโลภเอ้ยนะตั้งกับบัตรนี้เป็นต้นไประชั้นกับเธอนี่เป็นศัตรูกันตลอดการ นะสมมติว่ามันครอบงามก็ค่อยไม่อ้คู้นี่ศัตรูเล่นงานท่วมทับซะยับเยินหมดเลยเดี๋ยวจะต้องเอาคืนเนี่ยนะคิดบัญชีหมดนะนะความโกรธก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นในใจก็ต้องทำบุญและตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้ทําลายเพราะคนที่ทําลายความโลภความโกรธความหลงได้หมดแล้วคนนั้นพ้นทุกแน่นอนมันก็ขอให้รู้ว่าความทุกข์ทั้งมวลเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเป็นสมุทฐานนั้นทั้งสร้างคุณงามความดีใดๆก็ ผูกเวรเอาไว้เลยด้วยคุณงามความดีเหล่านี้ขอให้กําจัดความโลภได้ขอให้กําจัดความโกรธได้ขอให้กําจัดความหลงได้พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขโป่งบอกว่าฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมไม่เศร้าโศกนะพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าการความโกรธนะฆ่าความโลภชนะตันหาได้ชนะทุกทั้งปวงถ้าเลิกโง่ซะอย่างเดียวเนี่ยนะโลกนี้เนี่ยนะ มันไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายหรอกแต่ว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากความความเข่าเนี่ยนะความเข่านี่มันมันสร้างปัญหาสร้างความเลวร้ยรายสารพัดอย่างให้เกิดขึ้นประโยชน์ใดที่พึงได้ประโยชน์นั้นก็เสื่อมไปจริงๆอ่ะขณะที่มันโลมก็เพราะงโะนะ ง, โโะงโ่นั่นแหละจริงโลมที่โกรธก็เพราะโง่นั่นแหละจึงโกรธบางทีมันโงโ่โดยที่ไม่ต้องโลมต้องโกรธก็ได้นะความโง่มันเกิดโดดๆเพียวๆได้ลรงเรืองนะแต่ถ้าเวลามันโลมนะ มันจะบวกกับความโง่ด้วยถ้ามันโกรธมันจะบวกกับความโง่แล้วด้วยแต่ถ้ามันโง่เฉยๆเนี่ยมันไม่ต้องบวกนะนะไม่ต้องผสมทีนี้เอาเอาสูตรที่ผสมการทั้งกุศลและอกุศลเรียกว่ากุศลากุศลสูตรเนี่ยนะกุศลากุศลบวกอกุศลก็เลยเป็นกุศลากุศลสับแรกกุศลาหมายถึงกุศลอกุศลาหมายถึงอกุศลสมที่กันเข้าเป็นกุศลากุศล คือสู่ที่กล่าวทั้งกุศลแลอะอกุศลว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมนํามาซึ่งผลเช่นนั้นผู้ทากรรมดีย่อมนํามาซึ่งผลดีผู้ทากรรมชั่วย่อมนํามาซึ่งผลชั่วมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะมันลักษณะต้นมันคล้ายๆมะม่วงแต่มันเทียมมะม่วงเขาเรียกอะไรรู้ไหมต้นเหมือนมะม่วงลงเรืองเอะไร ไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงเอาถ้าทำมะม่วงก็ไม่เรียกมะม่วงอ่ะไม่ใช่มะม่วงเขเรียกอะไรมันคล้ายมะม่วงดูไกลๆมันมะม่วงเลย อ, ะอ่ะอ่าเขาเรียกว่าต้นไม่รู้วเวลาเดินลอดใต้มันก็เป็นพิษแล้วขึ้นตมเต็มไปหมด อ, ะอ่ะอ่าเขาเรียกว่าน้ำเกลีย้ยใช่อีสานคือต้อนน้ำเกลีย่ยต้นน้ำเกลี่ยเลยนะโอ้ยเดินผ่านเนี่ยมีพระรูปหนึ่งไปเดินเหยียบ เราบว่ามันมันหนักกว่าหมามุ้ยเยอะเนี่ยนะมามุ้ยมากกว่ตําแยงอย่างเงี้ยมันคล้ายต้นมะม่วงนะคล้ายมะม่วงมากดูไกลๆโอ้โมะม่วงเลยแหละประมาณไปนอน น, นะนะแล้วมันร่มเงามันก็ดีด้วยนะร่มเงามันก็สบายหน้ากลางเสือนอนมากตื่นเช้ามาเนี่ยนะเน่าทั้งตัวแล้วมัง้งพิษมันบางคนที่แพ้นี่มันแพ้เอามากเลยนะพิษร้ายแรงขนาดนะั้นบางคนเนี่ยเดินไปสะดุดหน่อยเนี่ยนะหนองเยิ้มเลยแหละต้นไม้มีพิษกระทกต้นน้ําเกลี้ยง น่าจะมีนะมีมีเพราะไม่มีมันจะสืบทอสายพันธุ์ได้ยังไงต้นโตต้นโตเอามาทํากรองเพล์ได้ก็แล้วกันนะต้นโตเท่ า, าทํากรองเพล์ได้กรองเพล์บางแห่งเนี่ยทำจากต้นน้ําเกลียงแต่ก็มีคนที่เขาไม่แพ้นะแต่ว่าโดยมากคนจะแพ้เนี่ยนะยางของมันเนี่ยถ้าเอามาทาตัวนะเนา่าเน่าหมดเลยไม่ใช่มะม่วงอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกต้นน้ําเกลี้ยงผลออกมาก็จะเป็นผลน้ํำลูกน้ําเกลียงองอกถ้าปลูกมะม่วงอะ่ะ ก็จะเป็นมะม่วงฉันใดผู้ทํากรรมดีก็ย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมชั่วก็นํามาซึ่งผลชั่วเนี่ยนะก็เป็นความที่เลวร้ายฉันนั้นก็เราก็ปลูกเอาเนะี่ยดีมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาใจชั่วอยู่ที่ไหนกายวาจาใจพะะนันถ้าเราจะทําชั่วนะสมมติถ้าเราปลูกต้นน้ำเกลี้ยงขอให้กินน้ำเกลี้ยงอย่างนี้ตลอดไปปลูกต้นอุทรพิษก็กินแต่อุตรพิษอย่างนี้ตลอดไปอย่างนั้นถ้าเราปลูกพืชเช่นใดก็ขอให้ได้บริโภคพืช เช่นนั้นท่านตอนที่เราปลูกอักุศลลงในจิตใจของเราปลูกอักุศลลงในกายวาจาใจของเราก็ทําใจไว้เธอว่าเธอปลูกเองนะเห็นไตอนที่กำลังปลูกอักุศลนลงในใจใช่ไหมอ้าวเธอปลูกเองนะต่อไปนะถ้าความชั่วมันให้ผลอย่าบ่นนะแล้วถ้าอยากฆ่าใครว่าอะไรนะถ้าเธอโกรธนะ ถ้าชาติหน้าไม่สวยอย่าตําหนินะอย่าไปดูถูกอย่าไปโทษโน่นโทษโ น, โทษนี่อย่าไปนั่นที่นี่นะอา้าว ก, ก็ทําไว้เองไม่ใช่หรือเป็นต้นนี่ยนะมัน ก, ก็คุยกับตัวเองไวด้ดีๆเนี่ยนะบอกไว้เลยโกรธไว้เธอโกรธมากมากนะถ้าโกรธ บ, บ่อยๆแล้วนะตุ่มมันก็จะออกมาเต็มตู้ว่าไปหมดเลยนะสีน้องก็จะไหลยเยิ้มโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แผลเป็นเคลอะไปหมดอย่างนั้นะเน่าเฟะไปทั้งตัวเลยนะก็อย่าไม่ต้องเสียใจนะ อ้าก็ตอนโกโรธก็ไม่เห็นก็เห็นอะไรนะเต็มอกเต็มใจดีนะี่อย่างนั้นนี่มันเนี่ยตอนที่ทําอากุศลอยู่เราก็บอกวันนี้กําลังปลูกพืชเช่นนี้เอาไว้นะถ้ามันจะให้ผลก็ไม่ต้องเสียใจนะเราทำใจไว้อย่างนี้เวลาวันหลังอกุศลมันให้ผลจะได้ไม่ต้องหนักใจเอ้าก็มันสมควรแก่เหตุแล้วเอาเคยทำํำมาแล้วไม่ใช่หรือเนี่ยมันกะ็เวลาอากุศลวิบากใดๆมันเกิดขึ้นบอกเอ้าเธอเคยทําำม้แล้วไม่ใช่หรือเนี่ยอ้าก็บริโภคแล้วเนี่ยแล้วใครทําให้ล่ะเนี่ย แต่ว่าคนพาลทั้งหลายอ้างคนโน้นทาให้อ้างผีฟ้าเทวดาอ้างพ่ออ้างแม่โทษสารพัดโทษไปเรื่อยโทษ ด, ดินฟ้าลมฝนนะนะโทษไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาไม่ทําไว้เขาไม่ได้เสวยรอกนะในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้บ่อยๆเล ย, เลยนะโมคลานะตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนโน้นพระองค์บอกว่าสมควรแล้วเหมือนันนะนะพระองค์ว่าอะไรโอ้ยน่าสงสารโมคลานะถูกทุกบซะจนกระดูกปี้ป่ปนหมด พรงษ์ไม่ได้บอกว่าสงสารเห็นใจไม่ได้พูดอย่างนี้พรงษ์บอกว่าสมควรแก่กรรมที่ทําเอาไว้แล้วในอดีตเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพระโมคคัลลานะเคยทุบพ่อทุบแม่ถ้าจนเกือบตายเนี่ยนะแมายว่าทุบตอนเกือตอนนั้นอนะเกือบตายแต่ในที่สุดก็ตายเพราะถูกทุบนั่นแหละอนันตริยกรรมบั้เวลาที่ชาติหลังท่านถูกทุบก็พระองค์ก็บอกว่าสมควรแก่เหตุเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอุบาศก่นหนึ่งฟังธรรมทั้งคืนกลับบ้านเช้ามาถูกประหารชีวิต อ้าวบอกว่าไม่สมควรกับกรรมชาตินี้แต่ว่ามันสมควรกับเหตุในอดีตแล้วเนี่ยนะอดีตก่อนน่นแหละก็เรียกว่าแสวงหาเรื่องประหารชีวิตคนโดยที่ไม่มีเหตุผลเป็นต้นเนี่ยเพรากรรมเนี่ยมันยุติธรรมที่สุดอะไรมันจะยุติธรรมเท่ากรรมไม่มีอีกแล้วนะหวานพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้นถ้าปลูกมะม่วงมันก็ออกลูกเป็นมะม่วงอยู่แล้วปลูกมะพร้า่มันก็ออกลูกมาเป็นมะพร้าวปลูกต้นน้ำเกลี่ยมันก็ออกลูกมาเป็นน้ำเกลี้ยฉันใดใครปลูกบุญปลูกบาปลงในจิตใจก็ ทำใจให้ดีๆเนี่ยนะยินดีก็ยินดีต้อนรับเลยนะผลบุญผลบาปไหลมาเถอะฉันจะยินดีต้อนรับหมดเลยนะถ้าแต่จริงๆอ่ะยินดีไม่ยินดีมันก็มาอยู่แล้วล่ะ <c oughs> สวัสดีความป่วยไข่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> อีกโตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่ากัลยาณนการีกัลยาณังผู้ทำกรรมดีย่อมนำมาซึ่งผลดีอันนี้เป็นกุศล ปาปการีจะปาปกังส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วย่อมนำมาซึ่งผลแห่งความชั่วอันนี้เป็นอกุศลพระพุทธเจ้าก็แสดงทั้งดำทั้งขาวทั้งทำฝ่ายดำฝ่ายขาวท ำ, ทำที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำทำที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายขาวเป็นต้นเนยนะพระ อ, องค์จะแสดงทั้งหมดเลย <c oughs> อีกสูตรหนึ่งพระ อ, องค์ตรัสว่าบุคคลทั้งหลายย่อมไปสู่สุขคติด้วยกรรมดี ย่อมไปสู่อบายภูมิด้วยกรำชั่วนะก็แสดงว่าเราเนี่ยนะมาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะพวกมนุษย์พวกเทวดาทั้งหลายไม่ทําบุญมามากนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้กําลังจะเจริญบุญอันใหม่ที่กําลังสนใจว่าอนุปอะไรนะมุทิตาด้วยที่ท่านทั้งหลายได้เกิดในสุคติมาเงินนะแล้ว่นะวอดีตไม่ธรรมดานะทําบุญมาดีนะจึงได้มาเกิดในสุคติว่าอดีตชาติเนี่ย กายวาจาก็สุจริตนะใจก็สุจริตฉนะันผลแห่งสุจริตกรรมเหล่านี้ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ อ, อนุโมทิวามุทิตาด้วยขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเทียบกับอาบายเป็นต้นเนี่ยกำลังจะเจริญบุญตัวนี้อยู่ก็กำลังให้มันคิดได้วั น, วนหนึ่งให้มันคิดได้บ่อยๆเนะี่ยก็ยังดีโมทิตากับคนอื่นด้วยที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันนะดีใจด้วยที่เป็นมนุษย์เป็นตน้นอ้าวเขาทำเขาเกิดในสุคติมันเป็นผลแห่ง บุญของเขาที่เขาทํามาจะไปว่าอะไรเขาเพราะเขามีบุญอ่ะเขาทําบุญไว้แล้วเขาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเขามีบุญมานะอุปธัรมพักกรรมเขาดีนะเขามีพ่อแม่เลี้ยงดูเจริญรุ่งเรืองอะไรต้นตนกับมุทิตากเขาไปเพราะเขาทําบุญไว้แล้วแต่ว่าชาติใหม่ทําอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะมันท่าอะไรนะถ้าเขาทําความชั่วด้วยกายวาจาใจบอกขอกรุณาด้วยอนาคตต่อไปคุณเดือดร้อนแน่เอามุทิตาเสร็จแล้วก็กรุณาใช่ไหม กรุณาขอแสดงความกรุณาด้วยนะเห็นใจด้วยนะปรารถนาจะให้พ้นทุกข์เพราะว่าเอ้าตอนนี้ทําแต่ความชั่วทางกายวาจาแล้วใจมันชีวิตอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองเพราะผลแห่งบุญเก่าที่ทําไม้ดีแล้วแต่ความชั่วใหม่ๆที่ทําก็อนาคตก็แสดงกรุณาไว้ก่อนเลยว่าคุณเดือดร้อนแน่เพราะอะไรเพราะกรรมทั้งหลายมันสมควรแก่แก่เหตุเนี่ยนะเพราะสุขคติเกิดในมนุษย์เทวดา พรหมทั้งหลายก็เกิดจากกรรมดีอบายภูมิทั้งหลายนะรกอับเปรตอสุรกายและเดรชาหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาเป็นต้นก็มาจากกรรมชั่วนี่นะส่วนบุคคลเหล่านั้นมีใจพ้นจากกิเลสย่อมนิพพานถ้าปฏิบัติอริยมรรคขุดสมุทยัยทิ้งได้หมดสิน้นพ้นจากความเศร้ามองโดยประการทั้งปวงคำว่าพ้นกิเลกก็คือพ้นจากความเศร้าพ้นจากความหมนมอง โดยประการทั้งปวงถ้าชำระความมนมองได้โดยประการทั้งปวงเขาย่อมดับทุกข์ดับวัตถทุกขได้โดยประการทั้งปวงเพราะทำละสิ้นกุศลและอกุศลกรรมเหมือนไฟที่ดับไปเพราะสิ้นเชื้อขีนังบุรณังนวังนที่สัมภวังไงวิรัตตจิตตายติเกพาวสเมิงเตขีณะพีชาอวิรุณหิชันดานิพันติทีรายะทายมปฏีโปเนี่ยในรัตนสูตรอ่ะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่เมืองไผ่สาลีเขาก็ตามประทีปตามประทีปในคําว่าตามประทีปก็คือมีถ้วยอยู่ถ้วยหนึ่งแล้วก็ใสน่น้ํามันแล้วก็มีไส้แล้วก็จุดไส้มันก็เผามันก็จุดไปเรื่อยๆไส้ก็หมดน้ํามันก็หมดอะไรเกิดขึ้นก็ดับฉันใดพระอรหันต์ผู้ที่ทําลายเชื้อแห่งวัตตะทําลายวัตตะก็ดับได้ฉันนั้นเนี่ยนะทีนี้ถามว่าท่านไปไหน ไฟที่ไร้เชือ้อไร้ไร้เชือ้อหมดไส้หมดน้ำมันดวงประเทศที่แตกทําลายแล้วถามหาว่าไฟอยู่ที่ไหนเห็นไหมอธิบายตามพุทธพจน์ว่าสุเพนะกรัรมเมนะวัชันติสุขติงย่อมไปสู่สุขติกรรมด้วยกุศลอปายภูมิเมงอสุเพนะการร ม, มุนาย่อมไปสู่อบายภูมิด้วยกรรมชั่ว มันก็แยกเป็นกุศลสูตรกับอกุศลสูตรเนี่ยนะนี่ผ่านไปสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มว่าด้วยกุศลกลุ่มว่าด้วยอกุศลแล้วก็คล้าเคล้ากันไปบางสูตรแสดงแต่ดีอย่างเดียวบางสูตรแสดงแต่ชั่วอย่างเดียวบางสูตรแสดงเคล้าเคล้าทั้งดีและชั่วถ้ากล่าวตามการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเปรียบเหมือนการฝึกมา้าการฝึกม้ามีอยู่สมวิธีใหญ่เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนาย เกษีคนฝึกมา้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าท่านมีวิธีฝึกม้าอย่างไรบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสํานักฝึกมา้าชั้นเยี่ยมเลยนะสมัยนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ใช้วิธีฝึกอยู่สาประการในบรรดาวิธีสประการแต่ว่าฝึกสาประการประการที่หนึ่งฝึกแบบละมุนละม่อมค่อยปลอบค่อยโยนเอาอกเอาใจให้อาหาร อ่านะหมายเขาว่าคอยตบคออะไรเนี่ยก็ฝึกม้าบางตัวนี่ก็ฝึกเรียบร้อยบางตัวนี่หนักอย่างเดียวเนี่ยนะต้องเคียนต้องโบยต้องตีต้องทุบเรียกว่าทุบมันจึงจะได้ดีก็กลายเป็นม้าชั้นดีม้าที่ฝึกเรียบร้อยชั้นดีแต่ว่าหมาฝึกหนักเหลือเกินเนี่ยนะถูกหดถูกทุบถูกตีแล้วก็ได้ม้าอย่างที่ตัวเองฝึกประเภทที่สมบอกว่าจะต้องแบบฝึกคละเคล้ากันไปทั้งเอาอกเอาใจเรียกว่าตามสมัยมันพยศเหรอก็ฝึกหนักถ้ามันทําดีก็ ปลอบอกปลอบใจเอาอกเอาใจมันมันก็ฝึกสํานักมันก็มีอีกม้าอยู่ตัวหนึ่งวิธีไหนก็ใช้ไม่ได้ผลบอกว่าฆ่าแล้วต้มเนื้อดีกว่าดีที่สุดทําไมเพราะถ้าปล่อยมา้าเลวๆแบบนี้เสียชื่อสํานักหมดเพราะงั้นเสียชื่อสํานักฝึกมา้านายเกสีผู้ฝึกม้าไปหมดก็ฆ่าทิ้งเลยแต่แล้วนายเกสีก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้มีวิธีฝึก ฝึกคนอย่างไรพระเจ้าค่ะฝึกสาวกอย่างไงพระองค์บอกว่าใช้วิธีสี่วิธีเหมือนกันหนึ่งฝึกแบบละมุน ล, ละม่อมสองหนักน่วงสามก็ทั้งละมุน ล, ละม่อมและหนักน่วงที่สี่ฆ่าทิ้งนะนนเกสีว่าโอ้ยการฆ่าไม่สมควรแก่พระองค์พระเจ้าข้าเหมืองงนนไม่สมควรแก่สมณะพระองค์ก็บอกว่าอย่างนี้คำว่าฝึกละมุน ล, ละม่อมเนี่ย ห, หมายว่าสอนแต่สุจริตและผลแห่งสุจริตเช่นสอนกุศลสูตรนี่แสดงว่าสอนคนดีเขาดีอยู่แล้วเพิ่มพูนความดีของเขาไป ดีแล้วทําดีต่อไปถ้าคนเลวล่ะบอกถ้าที่เธอทําเลวนะถ้าเธอทําเลวอย่างเนี้ยผลก็มันจะเป็นอย่างนี้ก็เล่าตามความเป็นจริงเรียกว่าการแสดงแบบนี้เรียกว่าการเคลียนในอริยวินัยเป็นการฝึกแบบหนักหน่วงในอริยวินัยบางกลุ่มก็สอนทั้งดีสอนทั้งชั่วคละเคล้ากันไปฟังเรื่องนรกบ้างเรื่องสวรรค์ บ, บ้างเรื่องดีเหตุให้สุขคติชั่วเหตุให้ทุกเหตุให้ไปทุกขติเป็นต้นก็สอนสลับคละเคล้ากันไปบุคคลประเภทที่สามสอนดีก็เงียบสอนชั่วก็แล้ว ว่ายังไงก็ฟานหูซ้ายตะลุหูขวาสงสารคนพูดบอกเงียบดีกว่าปรงนัน้นี่คือการฆ่าทิ้งในอริยวินัยก็บอกว่ากลับไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นเถอะปาั้นนะแล้วจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมพักผ่อนดีกว่ า, วานีน้นี่มาดูอีกสูตรอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอนุญญาตะสูตร สวรว่าด้วยการอนุมัติหรืออนุญาตอนุญา ต, อ น, ญาตอนุมัติแปล ว, ว่าเห็นด้วยว่าเออเห็นด้วยต้องทำอย่างนี้แหละสมควรแล้วที่ทำอย่างนี้มแมลงผู้ไม่ทำดอกไม้และสีกลิ่นของดอกไม้ให้เสียไปถือเอาแต่น้ำหวานแล้วก็บินไปฉันใดภิกษุควรเที่ยวไปในหมู่บ้านฉันนั้นอะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในนั้น พระโมคลานะไปโปรดเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีขี้เหนียวมากคิดว่าโกศยะเศรษฐีโกศยะนี่มันประกาศถึงว่าโอโ้โหถ้าใครนำหน้าแบบนี้ในพระไตรปิฎกเบื้องหลังนี่ตณีทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็เป็นเศรษฐีที่ตนีชนิดที่เรียกว่าอาหารที่เขาสมมติเขาจะเอาผ้าดีๆมาให้ใช้เนี่ยอะไรว่าโอ้ยพวกนี้ใชล้ลางใช้ผานกันหรื อ, อยังไงก็ต้องแบบใช้แบบผ้า ป, ป่านจึงจะดีใส่แล้วดีเขาบอกว่ า, วาถ้าใช้ผ้าบางๆเนื้อดีๆก็บอกอุย้ยมันเบา ใช่ไม่ดีก็ต้องไปเอาผ้าแบบผ้าป่านมานุ่งผมเออจึงจะอยู่ดีเขาเอาเขาเอาอาหารอร่อยอร่อยาหารดีๆบอกพวกนี้กินล้างกินพลานกันได้ยังไ ง, งนะี่ว่าไปเอาข้าวหักหักแล้วก็น้ําผักดองมาเกลนแบบนั้นนะ่ะได้อันนี้หมายความว่าคือคื อ, คอฟังให้ดีๆนะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปพูดให้ใครนะคนรายได้ต่ำแล้วนะรสนิยมสูงไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าพูดถึงแบบอะไรพูดตามหลักว่ามีมากแต่ว่าแหมกินแบบเบียดเบียนตัวเองเหลือเกินน่ยนะ หมายความว่าข้าวข้าวก็เป็นข้าวหักหั ก, กับก็นู่นแหละไปหาเลือกน้ําผักดองมาผสมแล้วก็กินอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าเอารถมาเอารถชั้นดีมาให้ใช้บอกโอ้ยนี่มันใช้อย่างนี้ได้ยังไงก็ไปหารถแบบเก่าที่สุดแบบผูกๆมามาซ่อมเอาม้าชั้นดีก็ไม่ได้ต้องเอาม้ากระจอกกระจอกมาใช้เอาร่มแบบโอ้ยท น, นี้ดแบบ้วร่มอย่างดีบอกไม่ใช่ต้องเอาร่มใบตานมาสรุปว่าใช้แบบโอ้ยสุดยอดประหยัดแต่เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากนี่เศรษฐีสมัยก่อนนี่เขาแต่งตั้ง เมื่อเข้าแต่งตั้งเนี่ยเขาจะต้องตำแหน่งเนี่ยต้องเข้าเฝ้าพระราชาทุกวัน น, นะเฝ้าเฝ้าพระราชาทุกวันมีอยู่วันหนึ่งไปเห็นอ่าก่อนที่จะเฝ้าพระราชาไปเยี่ยมเพื่อนก่อนเยี่ยมเพื่อนเศรษฐีด้วยกันไปถึงบ้านเพื่อนเศรษฐีเขากําลังทําขนมเบื้องโอ้โหขนมเบื้องใช้งาใช้น้ํามันใช้ขนมไม่ ว, ว่าทอดอย่างอร่อยอร่อยเศรษฐีนี้ก็ไปเห็นโอ้โหเกลือน้ำลายเอื้ออื้อไปไหมอยากกินเลิศเกินน่าจะอร่อยมาก น, น, นะนะแต่ก็เอ๊ะทํำไงดี อยากกินมากเพื่อนเศรษฐีก็ชวนว่าเอาสิเพื่อนนะกินสิเศรษฐีคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันเพิ่งกินข้าวมาอิ่มแล้วไม่ไปได้หรอกที่จริงอยากจะกินใจจะขาดแต่ก็เขาคิดอย่างไงว่าคํานวณลูกคิดมาเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าเรากินของเขาวันหลังเขาไปเยี่ยมเราเราก็ต้องทําให้เขากินอยมันก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมามันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปกินของเขาเลยตัดซะให้มันเรียบร้อยถ้าเรากินเขาเขาหนึ่งมือเราก็ต้องเลี้ยงเขาวันหลังอยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเนี่ยนะ ก็เลยไม่ยอมกินแล้วก็ไปเฝ้าพระราชากลับมาบ้านมันนอนกระแสวกระแซวทำ ม, มันเหมือนกันนอนสมอยู่เลยนะมันอยากมากบางคนมันอยากถึงกับ น, นอนสมเลยนะ